พราธรรมเทศนาแผ่นที่109ลําลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าคัดสันคำสอนก่อนนำเข้าเจดีวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2560 เมื่อวานเป็นวันพระขึ้น15คห้าเดือน7เดือนเจ็ดแผ่นเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำละแล้วก็อีกหนึ่งเดือนนะสัตยาญาติโยมเป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็หลวงพ่อได้ประกาศบอกกล่าวไปแล้วเมื่อวานว่าผู้ใดจะ น, นานาคจะจะเข้ามาบวช ก็ให้นําเข้ามาวันที่23 24มิถุนายนอันนี้นก็เป็นวันที่10แล้วนะมิถุนายนวันที่10มิถุนาแล้ววันที่ยี่สิบให้นํานาคลูกหลานผู้ที่จะบวชเข้ามาฝึกขานนากฝึกซ้อมนาคมาท่องนากให้ได้แล้วก็เจวัน เมื่อขานนักซ้อมหาักละหาบริขารให้กับนนักจัดบริขารให้พร้อมที่จะบวชจากนั้กวันที่หนึ่งวันที่ยี่4บสามยี่บสี่เป็นวันรับใช่นะวันที่ยี่สิบสี่ก็บวชอ่ะบวชนนักพร้อมกันนากที่จะบวชพระที่จะจำพรรษาบวชพร้อมกันวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วก็วันที่แปด กรกดาคมเป็นวันพระเป็นวันอัสารหาบูชาและก็ว่าแรมค่ําหนึ่งวันที่9กนะกรกดาคม60เป็นวันอาทิตย์เป็นวันเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษาวันนั้นวันนั้นพวกนาคทั้งหลายผู้ที่ทเตรียมพร้อมที่จะมาบวชก็เข้ามาเตรียมพร้อมได้แล้วก็เพื่อจะได้ ความพร้อมของลูกหลานที่จะบวชแล้วก็ช่วงนี้วันที่17วันที่17ที่จะถึงจะมีการเซ็นสัญญากับผู้ละเมาเจดี JD, พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยปวางงานงวดเข้ามาเลยเอยแล้วคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้พวกลูกหลานฟัง ลูกหลานพวกที่อยู่ใกล้หลวงพ่อนะคงอยากคงอยากจะทราบ พ, พอเราติดตามมาโดยตลอดว่าเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาไปถึงไหนแต่ตามไม่จริงการเซ็นสัญญาวันที่สิบเจ็ดประมาณสิบโมงเช้านะบริษัทษสอบุญมิลิตจากกรุงเทพนะเป็นผู้โชคดี ได้มาก่อสร้างพิพธิพธภัณฑ์ขององค์หลวงตาตจะสร้างพระเจดีย์และสลาลายก่อนส่วนพิพธิพธภัณฑ์ในรอยละเอียดเรายัางเรายัางหาข้อมูลอยู่แต่เรื่องอาคารกับเรื่องภาย ข, าขาใ น, นมันเกี่ยวเนื่องกันทำไมจึงว่าเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าเราจะมีเนื้อหาสาระมากไหม ถ้าไม่มีเนื้อหาสาระมากอาคารเ้วก็ทาเล็กไงแต่ถ้าว่ามีเนื้อหาสาระมากเราก็ต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ควบคุมเนื้อหาสาระนั้นเหมือนกับปุปปับมาเราจะไปตัดเสื้อคอยอคอยคนเลยแต่เราจะไม่เห็นคน เ, เราจะไม่เห็นคน ตัวอ้วนตัวผอมตัวสูงตัวต่ําตัวเตี้ยตัวเล็กขนาดไหนเราไม่รู้เราก็ตัดเสื้อคอยไปเลยผลที่สุดก็พอคนใหญ่ขึ้นมาได้ทําไงเสียของถ้าคนเล็กขึ้นมาถ้าเสื้อเสื้อตัวใหญ่เกินไปก็อย่างที่ว่าอีกเหมือนกันเสียของอีกเพราะนั้นเรื่องพิพิธภัณฑ์ก็เลยยังไม่ได้ มีการเซ็นสัญญาต้องคอยดูเนื้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์ซะก่อนว่าเราจะเอารูปลักษณะอย่างไรอั น, นี่ก็ต้องปรึกษากับคณะกรรมการเพราะว่าเรื่องพิพิธภัณฑ์เป็นหัวใจหัวใจของการก่อสร้างทั้งหมดพอหลวงตาท่านก็เน้นหนักเรื่องแนวปฏิปทาของท่านแนวธรรมคาสอนของท่านท่านบอกว่าทางว่าสร้างเจดี ขึ้นมาแล้วมีตะคนมากราบตั้งจิตอธิษฐานมุมมุมม่ม่มุมุมม ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่เสร็จแล้วก็เดินออกไปแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแนวพระธรรมคำสอนของหลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมากมายตั้งแต่ท่านได้มาสร้างวัดป่าบ้านตาที่ท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรม จากนั้นท่านก็ประกาศทำออกมาเรื่อยๆเพวัะนั้นทำคําสอนของหลวงตาเป็นพระธรรมที่ลึกซึง้งเป็นพระธรรมคําสอนที่นํามาประพฤติธปฏิบัติได้เพวัะนั้นเรื่องพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานี่ยังไม่ได้เซ็นนะเซ็นการก่ อ, อสร้างตั้งแต่เจดีหกเมตรนะกว้างโดยประมาณ20เมตรโดยรอบและก็ศาลาลาย จาลลายก็คือเหมือนกระโบดน่แหละแต่สำหรับเป็นสถานที่เข้าไปกราบคารวะมีอยู่ที่นั้นก็นมีพระพุทธ ร, รูปมีพระพุทธ ร, รูปองค์หนึ่งและอยู่ทางซ้ายมือลงมีรูปหลงปู่เสาทางขวามือเป็นรูปหลงปู่มั่นตรงกลางนะ่แต่อาสนะไม่เหมือนกันนะพระพุทธ ร, รูปจะอยู่สูงกว่า แต่หลวงปูส่สาวก็หลวงปู่มั่นเนี่ยในอาชนะนี่เสมอกันซ้ายขวาเหมือนกับโมกคาราสาเลบุตรอยู่ข้างข้างพระประธานลักษณะอย่างงั้นแหละและหลกองล้มตานี่อยู่ต่ํากว่าแต่อยู่ตรงกลางตรงหน้าพระประธานนั่นนี่นั่งแต่นั่งต่ํากว่าหลวงปูส่สาหลวงปู่มั่นท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะ เวลาคนเข้าไปกราบเขาไปเป็นศาลาเข้าไปกราบลานึกถึงไปเห็นลูกพระพุทธปฏิมาแล้วก็เห็นอาจารย์ของอหลวงตาอาจารย์ของหลวงปู่มั่นก็คือหลวงปู่เสาแล้วก็หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงตาอันนี้ก็คือเป็นสถานที่กราบไหว้ของพุทธบริษัทแต่ส่วนพระเจดีย์นั้น จะมีแต่อธิธานหรือพระธาตุขององค์หลวงตาและกับนบนข้างบนจะมีพระบรมสารีริกธาตุหรือเป็นพระธาตุของพระอรหรันตแต่สาวกทางหลายหรือว่าเป็นพระธาตุของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ที่บือดูเบื้องบนแต่อยู่ตรงกลางพระเจดีย์กินแต่ พระธาตุขององค์หลวงตาอธิธษฐานขององค์หลวงตาให้คนได้กราบได้ไหว้นี่แหละแต่เราจะเซ็นสัญญาวันที่17ประมาณ 10, 10นาฬิกานะแต่นาทีนะมพ่อจําไม่ได้นะจะเกินเป็น10นาฬิกาเ้านาทีอะไรลักษณะอย่างนั้นหลงพอมีต่วันสินาฬิกา ก็เลดก็ไม่มากนะแล้วก็จะมีเซ็นสัญญากันละพร้อมและข่าวนีมีผู้ว่าจ้างแต่ท่านพระยานสุดใจจะเอาวาัดวัดป่าบ้านตาดนะเป็นแต่งตั้งให้วยาวัจกรหรือว่าโยมเป็นตัวแทนของท่านนะเป็นผู้เป็นคู่สัญญาแล้วก็มีพยาน พยานสองคนที่ทั้งฝ่ายเรานะทั้งฝ่ายเขาก็คงจะมีเหมือนกันและก็แรแลกเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญากันแต่มอบสัญญาให้ถือคนละชดกันการทำการจะสร้างสร้างยังไงทําทำตามสัญญาแหะแต่ค่าว่าจ้างค่าว่าจ้างทั้งหมดเดี๋ยวนี้ตกลงกัน490้าล้าน ค่าจะเซ็นสัญญานะ490ล้านแต่ใช้เวลา3ปีคือ36เดือนแต่กะไว้โครงสร้างประมาณ24เดือน2ปีแล้วก็พิพิธภัณฑ์ตกแต่งภายในทุกอย่างอีก1ปีรวมแล้วเป็น 3, 36าเดือนนี่แหละเจดีพิพิธภัณฑ์ของลงตานี่ จะเป็นรูปร่างขึ้นมาเรื่อยๆละ่ะเมื่อสร้างเสร็จขึ้นไปแล้วกเนะี่ยไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของประเทศชาติเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเราเป็นผู้ก่อสร้างสร้างเสร็จแล้วก็ได้บุญได้กุศลต่างคนก็ต่างจิตติดจิตติดใจของพวกเราไป ถ้าไม่ผู้ไม่เห็นด้วยไปสร้างก็ไม่ว่ากันไพ่เลจะให้ทุกคนเห็นด้วยซะก่อนจึงมาสร้างมันก็ไม่ได้เพราะฉนั้นกาวนี่กันนะในการก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาก็จะสร้างแล้วล่ะสร้างภายนอกห่างจากวัดหลวงตาแต่ว่าตามไม่จริงวัดหลวงตามันกับที่แรกที่หลวงพ่อไปอยู่ที่วัดป๋าบ้านตาดนะ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ60บไร่นะร้อยบไร่นะสัยาญาติโยมที่หลวงตาทำกำแพงร้อมรอบนะ160ร้อยบไร่ในนั้นก็มีพระสงฆ์แล้วก็มีบ้านบ้านชีคือบ้านโยมโยมบรรดาของหลวงตานะเป็นสํานักชีอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วก็ฝ่ายนึงกับกลุ่มฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพระสงฆ์รวมกันแล้ว ร้อยหกสิบไร่นะกำแพงตัวนี้แต่ต่อมาในท่านก็ศรัทธาญาติโซื้อท้องนาขยับออกมาอีก เ, อเดี๋ยวนี้ก็ป่าเข้าไปเกือบเกือบจะพันไร่กำมังนะแะแต่ตรงที่จะสร้างพระเจดีย์เนี่ยอ่างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เนี่ยทั้งหมดมีอยู่ร้อยแปดสิบดไร่นะก็น่าจะเพียงพอนะเนนั้น ถ้าเราจะแบ่งแยกออกไปก็ไม่ได้ลบกวนกันนะฝ่ายพระสงฆ์ก็คือเป็นฝ่ายสังฆาวาส60สไรก็น่าจะเพียงพอสำหรับพระสงฆ์แต่ว่าสังฆาวาสนะออกมาก็เป็นพุทธาวาสพุทธาวาสก็คือเป็นสถานที่กราบไหว้เป็นที่ศักการะของผู้คนทั้งหลายทั้งพระสงฆ์ด้วยทั้งฆราวาสญาตโยมด้วยเป็น การไหว้เขาเรี่ว่าพุทธาวาสเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อพุทธาวาสแต่ต่อมากขยับออกมาก็เป็นคลาวาสบัานคาราวาสคือบ้านเบืองเป็นบ้านคลาวาสใช่ไหมล่ะผู้หญิงผู้ชายครอบครัวอันนี้เป็นว่าเขตคลราวาสต่อมากกับพุทธาวาส แต่ว่ากับสังฆาวาดนะถ้าว่าต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าว่าฆราวาดไปจุนจ้านกับพุทธาวาดเกินไปก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกันนะถ้าว่าพุทธาวาสสังฆาวาดก็อยู่ธรรมดาแต่สังฆาวาดมาจุ่นจ้านวุ่นวายสังฆาวาดก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นต่างคนต่างมีกฎกติกาต่างกฎระเบียบ อยู่ด้วยกันสังขาวาดก็โยนในความสงบเป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนาก็ได้พวกพุทธาวาดเนี่ยเป็นที่กราบไหว้ของคู่คนมีที่จอดรถมีที่สถานที่ขึ้นมาเคารพสักการะนะแต่บางคนก็บอกว่าเอาทำไมถ้าอยู่อย่างนั้นกับเหมือนกับใครจะไปเป็นผู้ดูแลไม่อดอกผู้ดูแลนะ เราแต่งตั้งใครก็ได้ข้อสำคัญอย่าให้พระสงฆ์เขามาจุนจ้านพุ่นวายเท้วนะสถานที่แห่ง น, นั้นมันเป็นไม่ใช่สถานที่พระสงฆ์จะมานั่งขายของเครื่องราง ข, งของขังอยู่แถวนั้นอ่ะไม่ใช่ส้ศรัทธา ญ, ญาติโยมเข า, เาดูแลใครจะเข้ามากราบมาไหว่ยอย่างไงอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาเอา่แต่กล้องวงจรปิดเราก็ดูอยู่ข้างในก็ได้เป็นไรไปทุกวันมันทันสมัยยิ่งกว่าอะไรอีก ถ้าว่าจุดไหนที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรแล้วก็เตือนรอปภบอกกล่าวเออตุวนั้นมันไม่ถูกต้องนะบอกได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นเพราะมันเป็นของวัดเนะีเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของวัดปา่าบ้านตาดนะไม่ใช่ของวัดไหนนะเราพวกเราก็มีแต่รวมรวม ร, ว ม, รวมกันสร้างให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดิน ของประเทศไทยทุกหัวละแห่งแต่หลวงพ่อเองก็พยายามเน้นหนักเรื่องนี้แหละเรื่องทำคำสอนของหลวงตาออก็มาถกมาเถียงมาทำความเข้าใจกันหลายฝ่ายเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็บอกบอกไปเลยแล้วบอกว่าถึงอย่างไงก็ตามทำคำสอนของหลวงตาเนี่ยเราก็รู้อยู่ออกมาจากหนังสือเล่มไหน ออกมาจากเทศ์กันไหนแผ่นซีดีแผ่นไหน MP3 แผ่นไหนวิดีโอแผ่นไหนหลวงตาพูดยังไงเมื่อวันที่เท่าไรเราก็เอาตรงนั้นมาแต่ว่าการพูดของหลวงตานั้นก็ไม่ให้ผิดแปลกแตกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า องตาก็ไม่พูดออกนอกลูก่นอกทางอยู่แล้วนะลงตาเป็นธรรมเราก็เชื่อในหลวงตาเพราะนั้นเ์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานี่จะต้องคัดสรรเอาวาจาของหลวงตาในทั้งหมดที่ท่านเทศไว้เนี่ยเกือบหมื่นกันไม่ใช่น้อยนะลูกหลานนะเทศหลวงตานี่ยาวที่สุดเลยเกือบเป็นหมื่นกันแล้วเราก็เอาคัดสรรออกมา เอาคำที่สมควรที่พวกเราจะได้รับรูบร้รับทราบได้เมื่อเด็กเข้าไปเด็กหนุ่มเข้าไปอ่านได้ความรู้เป็นแนวความคิดกลางคนเข้าไปอ่านได้ความรู้เป็นแนวความคิดคนแก่เข้าไปอ่านเข้าไปนํามาประพฤติปฏิบัติจิตภาวนาหาช่องหาทางตนเองเพราะเป็น ชีวิตขั้นสุดท้ายแล้วควรปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่ออ่านแล้วได้แนวความคิดออกมาทั้งสามกลุ่มแปลว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาประสบผลประสบผลสำเร็จเพราะอะเพราะผู้ใดเข้าไปก็ได้อัดได้ทำได้ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาน ะ, ะเราจะให้เป็นอย่างนั้นพิพิธภัณฑ์ เราจะไม่เอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ยกพระไตรปิฎกมาพูดทั้งหมด เ, เราจะไม่ได้ยกธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาหลวงปู่ฟันหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาต้องเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงตาเน้นหนักถึงจะเป็นพุทธภาศิตและพุทธภาสิต ท, ท, ที่พระพุทธเจ้าก็ยกมาก็คือหลวงตาเคยยกมา เคยยกพุทธภาสิตนี้มาเราก็ยกมาได้พอหลวงตาเคยยกมาแต่เช่ยังไงเราจะเน้นหนักเรื่องประวัติของหลวงตาเราไม่ได้เน้นหนักพิพิธภัณฑ์ของผู้ใดใครผู้หนึ่งนี่คราวนี้นะเพราะนั้นจะต้องช่วยกันคิดพอสมควรเรื่องพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแต่บางท่านบางคนขอได้ยิน ว่าบางทียกคําพูดของหลวงตาขึ้นมาแล้วก็ต้องมีหลักอ้างองิงเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอันนั้นมันจะยืดเยื้อเราไม่ควรจะทับอย่างนั้นเมื่อยกขึ้นมาแล้วลุกรมขึ้นมาเราเป็นคนตรวจตราเองว่าหลวงตาพูดคํานี้ออกมาเนี่ยมันขัดกับพระธรรมที่ไหนขัดจากับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมขัดจากพระไตรปิฎก พระไตรปิดกไหมถ้าไม่ขัดเราก็ยกขึ้นไปเลยเป็นผู้เราเป็นผู้คัดสรรเองแล้วก็ยกให้ท่านเป็นผู้แสดงธรรมเองเป็นประวัติของหลวงตาเองเพราะว่าคำพูดของหลวงตามีคำคมๆมมีตังเยอะแยะไปหมดเลยแต่พวก ผูจะคัดสารในจิตตาถึงหรือไม่ท่านเองพวกตาทั่วทั้งหลายแหล็มองไม่เห็นมันนะมองไม่เห็นคาวมองมองไม่รู้จับทำคำสอนแต่ผู้ที่จะมองทาคำสอนออกนี่ก็ต้องผู้ปฏิบัตินะผู้ปฏิบัติเรื่องศินสมาธิปัญญาพอสมควรจึงจะจึงจะมองออกเหมือนกับคน เลี้ยงเคยเลี้ยงวัวมาแต่ไหนแต่ไรนะนะเคยเลี้ยงวัวมากี่ฝูงกี่ฝูงนะ่ะอ่าหัวเล็กหัวน้อยหัวใหญ่วัวสีดําสีด่างสีแดงอหัวเขาสั้นเขายาวเขาทูดเคยเลี้ยงมาหมดนเะในเมื่ อ, เ, อเขาเอาวัวไปเข้าไปในฝูงเป็นหมื่นตัวเนพะราะว่าเทศนาของดวงตาเป็นหมื่นกันใช่ไหมล่ะ เหมือนกับวัวมีหมื่นตัวอยู่ในนั้นน่ะเอ่ทีนี้ก็ไอ้คนไม่เคยเลี้ยงวัวนีเพราะไม่ไม่เคยศึกษาธรรมะใช่ไหมก็ไม่เคยเลี้ยงวัวเนีเข้าไปเลยซิไปเลือกเอาวอัวซิตัวไหนที่จะเป็นตัวพระเอกเนี่เป็นดารานะในวัวฝูงนี้ไปเลือกไป ให้คนที่ไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนไม่รู้จะจับปาตัวไหนมันเหมือนกันทั้งหมดมันมีแข้งมีขามีหูมีตาเหมือนกันเพราะวัวใช่ไหมละ่ะแต่ผู้ที่เคยเลี้ยงวัวเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมองออกเลยเขาจะต้องเลือกดูเขาของมันงามไหมสวยไหมหน้าของมันยาวไหมจมูกของมันหัวของมันคอของมันแลก ผิวของมันขนของมันแข้งขาของมันหางของมันเล็บของมันมันมองมันรู้เลยผู้ที่เคยเลี้ยงวัว น, นะมองแป๊บรู้เลยวัวตัวนี้โอ้โหท่าลักษณะท่า ท, า, ท, า, ทางดีมากสง่างามเขาเลือกเอาได้พอจับออกม า, า, มาออกมาออกมาโดดเด่นออกมาคัดเลือกออกมา คนทั้งหลายก็ยอมรับกันท่วนหน้าเออใช่อันนี้ตาถึงอ่ะเรรู้จักเลือกวัวออกมาได้สวยนะแต่ถ้ามาผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนไปเอาวัวขี่เลื่อนตัวน้อยกันพี่ก็ไปควา้าจับเอามาเลยเออมาดูแล้วคนทั้งหลายได้เห็นก็โอ้แต่แต่แต่แมัน อ, ออกมาได้ง่ายเขาจว่าเนี่ยนี่แหละหออลวงพ่อว่านะหออลวงพ่อเนี่ยจึงจะให้ผู้คัดสรร ผู้ตาถึง เ, เข้าไปเลือกพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตาออกมาแล้วก็ใส่แผ่นกระดานขึ้นมาใครอ่านเข้าไปแล้วกันะถึงซึ้งในจิตใจเด็กอ่านก็ซึง้งคนกลางคนอ่านก็ซึง้งผู้สูงอายุอ่านก็ซึง้งซึ้งในจิตในใจนั่นแหละแปลว่าพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะประสบผลสาเร็จนะ หลวงพ่อโพดอย่างนั้นนะอันนี้แหละเราจะทํำยังไงจึงจะเอาจุดนั้นออกมาได้จึงจะคัดสรรจุดนั้นออกมาได้ใครจะเป็นผู้มีปัญญาที่จะเอาจุดนั้นออกมาเนะี่นี่แหละเรื่องพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยเป็นหัวใจการก่อสร้างทั้งหมดถึงจะเป็น4ี่ห้าห้อล้านนะ่ยที่ว่านะ่ะนะอันนั้นก็คือทางด้านวัตถุเท่านั้นเองแต่หัวใจเนี่ยก็คือเนี่ย ที่จะสอนคนได้เนะี่ยคือพิพิธภัณฑ์แนวธรรมคําสอนขององค์หลวงตาอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานเป็นอนันตการนะงั้นยาวนานทีเดียวนะนี่แหละหลวงพ่อกับคณะกรรมการทุกหมู่ทุกเหล่านะาผู้ที่เกี่ยวของทั้งหลายทั้งปวงนะหลวงพ่อไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่เอาแนวความคิดของตนเองนะไม่ได้เอา ขวัญทงว่าหลวงพ่ออินเป็นผู้นําเป็นผู้จัดการเป็นผู้ให้ฟังหลวงพ่ออินเท่านั้นนะหลวงพ่อจะไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดเป็นประชาธิปไตยนะลาฟังหลายๆคนพอหลายๆคนเสร็จแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้สรุปถ้าสรุปไม่ลงก็ให้คนอื่นคนอื่นสรุปเอกเพราะความรู้เนี่ยมันไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดยอยู่กับทุกคนแต่พอสรุปออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับ อยอมรับกันทุกคนแต่ว่าสรุปออกมาแล้วยังดันทุลังอยู่เราก็เขี่ยออกเหมือนกันนะเจะมฮดดันทุลังได้ยังไงพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของคนคนเดียวนะเป็นของหลายคนมัต้องยอมรับกันซะก่อนเป็นที่ยอมรับกันฟังละเออเอาตกลงกันนี่แหละ สรุปแล้วพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะคณาจาทย์ญาติโยมลูกหลานนะพูดพูดง่าง่ายๆแต่พอเนื้อหาสาระเข้าไปจริงๆแล้วไม่ใช่ของที่จะต้องสุกเอาเผากลิ่นมาเงินกันกรองแล้วกันกรองอีกนะมันไม่ใช่ว่าคิดในปัจจุบันเท่านั้นนะในอนาคตจากนี้ไปอีก50ปีเป็นยังไงพิพิธภัณฑ์หลวงตาอีก ร้อยปีเป็นยังไงพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนะ่อะคิดถึงขนาดนั้นะเอะแต่หลวงพ่อหนึ่งผู้ที่รีเริ่มผู้ที่คิดตายตายไปก่อนแล้วงั้นเพราะเดี๋ยวเนื่องอายุเจ็ดสบสองปีแล้วจะอยู่ไปถึงเจ็ดสิบภาคหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะลูกหลานน ะ, ะลูกหลานทั้งหลายที่ผู้มีอายุยืนอ้าวไปกราบไปไหว้เคารพสักการะเป็นบุญตาเป็นบุญใจเป็นบุญ ที่ได้กราบพระธาตุขององค์หลวงตาพระบรมสารีริกรธาตุของพระพุทธเจ้ า, เ, าเป็นบุญเป็นกุศลจิตจิตใ จ, จ, จ, จเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่เจต่าทําให้บาปก็บาปได้เหมือนกันนะเข้าไปแล้วก็ประมาทพลาดพังนะบาปกรรมอีกเหมือนกันนะสุดแท้แต่พวกเราจะเอาบุญหรือจะเอาบาปเท่านั้นเองอัตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนทะ่นจะนะวันนี้หลวงพ่อ ไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเจดีหลงตานานนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสบอกกล่าวให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังเพราะวันที่ส7บเจดมิถุนานะจะมีการเซ็นสัญญากันว่าจางลนะตีละขงังแป้งแล้วถ้าเป็นนักมวยกันนะั่นนะเริ่มขึ้นเวทีชกเลยว่า ง, งั้นเถะนี้ก็เหมือนกันวันที่สิบยี่สิบวันที่ย7สิบเจ็ดวันที่สนะิบ็ดนย ก็เซ็นสัญญากัน่ะตีลแลัางลงมือเลยกัะผู้รับเหมาลงมือแล้วล ง, ล ง, ลงวดที่แรกเท่าไหร่ฟังๆพองวดที่แรกหลวงพ่อก็สะดุงเหมือนกันนะหลวงพ่อก็ถามเย็บๆถามนะหงวดที่แรกเท่าไหร่วะประมาณสี่สิกว่าล้านเหมือนงวดที่แรกป่าโตแต่เขาก็ของเขาผู้รับเหมานะเขาก็เซ็นเช็คมาประกันเหมือนกันเน้ เขาก็เซ็นเช็คประกันเมือนการเท่ากันกันกบเงินที่เขาเอาไปจากเรานะแต่เราเบิกไม่ได้นะเดี๋ยวเขาเช่นค้ำประกันไว้ถ้าเขาเบียยงงเบ่ยวยังไงเขาเบี่ยวยังไงเขาไม่ทําตามสัญญาอย่างไรเนะี่ยเราก็ยึดยึดยึดค้ำประกันจากธนาคารเลยแหละนะนี่แหละมันมีถ้านเราได้ศึกษาได้จุดนี้แล้วกันะคือการไม่เอาเปรียบกันนะพูดง่าย แต่ถึงยังไงถึงบริษัทที่มาทำนะพวกเราก็จะมองดูเหมือนกันถ้าได้กาไรมากเราก็ขอร้องเออขายให้สักหน่อยได้ไหมเพิ่มตัวนั้นตัวนี้อีกได้ไหมถ้ามันขาดทุนโอ้ขาดทุนแล้วเี่ยพวกเราจะปิดหัวเราเฮ่เฮเฮ่ฮเขาขาดทุนก็ไม่ได้เราก็ต้องหาเพิ่มให้เขาให้เขาอยู่ได้ไเขาไม่ให้ขาดทุนพอเรา จิตใจของพวกเราให้เป็นธรรมนะให้เป็นธรรม อ, อย่าไปดูถูกเกลียดยามคนเมื่อเขาเพียงพั้มเราไปเหยียบเขาเลยไม่ได้นะเราต้องไปยุง่งการทํางานด้วยกันต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าได้กาไรมากเราก็ขอร้องให้เขาเพิ่มเติมตัวนั้นตัวนี้นไดไม่ถ้าเขาขาดทุนแล้วก็ต้องหาต้องเพิ่มให้เขาถึงจะไม่อยู่ในสัญญากอเราเราก็ต้องเพิ่มให้เขาได้อย่างองค์หลวงตา หลงพอสร้างกำแพงอย่างที่เคยพูดให้ฟังนะเเขาขอเพิ่มกลางคันลงตากระบอกเอาสมัยเขามาสร้างกำแพงให้ท่านอินเนะ่เขามีรถปิกอัพมีบ้านอยูออ่พอมาสร้างกำแพงให้ท่านแล้วเนะ่เขาขายรถปิกอัพขายบ้านล่มจมจบหายท่านดีใจัหมถ้าเขาเป็นลักษณะอย่างนั้น หลวงตาถามหลวงพ่อหลวงพ่อองจะไปดีใจใยังไงเพราะเขาล่มจมจิบหายครอบครัวเขาล่มสลายเพราะว่าเขาขาดทุนในการสร้างกำแพงเราใช่ไหมละ่ะเนี่ยและเราต้องให้หลวงตาบอกน่นะความความเป็นธรรมของหลวงตา น, ะนี่แหละเราต้องยึดตามแนวแถวนั่นละ่ะผู้ใดก็าตามที่มาทำงานกับเรานะเราต้องมองเขาดูแลเขา เขาขาดทุนกําไรอย่างไรเขาตั้งใจทํางานไหมเว้นเฉแต่เขาทําหลอดแล้วไและนะมีแต่ว่าขาดทุนขาดทุนนะอันนั้นมันช่วยไม่ได้จะทํำยังไงต้องไล่ออกไล่ออกจากหน้างานออกไล่ออกจากงานนะ เ, เพราะผมไม่ตั้งใจทํางานนะมันจะมาขาดทุนได้ยังไงมันก็ขาดทุนที่ถ้าไม่จ้งใจทํางานใช่ไหมล่ะเนี่ยหลวงพ่อผูดให้ลูกหลานได้ฟังหลายแนวน้ำวัดนี้นะอะต่อเ น, นี้ไปรับพรในตอนี้นะ